จเจรินพรท่านผู้มีเจดเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6มีนาคมพุทธศักราชส5 5 9เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญร่ำบุญเป็นเหตุที่จะนำมาสึ่งความสุขและความเจริญของชีวิตทงในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตางไปแล้วจิตใจก็จะพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่ภพชาติที่สูงขึ้นไปตามลำดำับ ที่มีความสุวนเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดำับผู้ใดถ้าสามารถปฏิบัติทำบุญตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ทำได้ผู้นั้นจะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรมเป็นพระ อ, อริยเจ้าและไปสู่การเป็นการไปสู่พระธิพาน คือที่สิ้นสุดของความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากบุญที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรุโค้นพบแล้วนำเอามาเผยแปลสั่งสอนให้แก่สัมโลกอย่างพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอา คำสอนของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติเราจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่า ง, างใๆใดๆในโลกนี้ที่จะสามารถให้กับเราได้ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นประโยชน์ระยะยาวไม่เหมือนกับประโยชน์ จากสิ่งต่างๆที่เราหาได้ในโลกนี้ล้วนเป็นประโยชน์ระยะสั้นล้วนเป็นประโยชน์ชั่วคราวคือพอร่างกายของเราตายไปแล้วลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็จะสูญไปหมดไปแต่ประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะไม่หมดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะมีประโยชน์ต่อจะส่งจิตใจของเราให้ขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับการทำตามคำสอนของพรุทธเจ้าก็คือการทำบุญต่างๆในศาสนานี้ พระพุเจ้าทรงสอนให้ทำบุญอยู่สิประการด้วยกันคือหนึ่งบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานให้เราหมั่นทำทานอยู่เรื่อยๆการทำทานนี้ไม่สาคัญว่าจะทำกับใครทำแล้วได้ประโยชน์เท่ากันหมดทั้งทำกับพระทำกับผู้คารวาผู้คองเรือนทำกับสัตว์เดรัจฉาน ประโยชน์ที่เราได้รับทางจิตใจของเรานี้ได้รับเท่ากันหมดต่างกันตรงที่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำทานด้วยถ้าเราไปทำทานกับข้ารวาทยาโยงก็สู้ไปทำทานกับพระภิกษุไม่ได้เพราะอะไรเพราะประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำทานก็คือ การได้ยินได้ฟังธรรมได้รับธรรมะถ้าเราทำกับคารวาสญาิโยงจะได้ธรรมะน้อยแต่ถ้าเราทำกับพระภิกษุนี้เราจะได้ธรรมะมากขึ้นอยู่กับธรรมะของแต่ละ อ, องค์ที่มีอยู่ในใจของท่านท่านจึงเปรียบเทียบว่าถ้าทำบุญกับพระภิกษุผู้สงศีล ก็จะได้สิบเท่าถ้าทาบุญกับพระภิกษุที่ได้สมาธิก็ได้ร้อยเท่าถ้าทาบุญกับพระภิกษุที่ได้ปัญญาได้บรรลุปเป็นสุภระโสดาบันก็จะได้พันเท่าพระสกิดาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอนาคามีก็แสนเท่าพระอาหารหันต์ก็ล้านเท่าเพราะว่าความรู้ ที่ท่านเหล่านี้มีอยู่นั้นมีความแตกต่างกันมีความสามารถที่จะให้ประโยชน์กับเราแตกต่างกันนั่นเองถ้าทำบุญกับพระผู้ทรงศีลท่านก็จะสอนให้เรารักษาศีลได้เพียงเท่านั้นถ้าเราทำบุญกับพระที่ได้สมาธิท่านก็จะสามารถสอนให้พวกเรามีสมาธิกันได้ถ้าเราได้ทำบุญกับพระที่มีปัญญา ได้เป็นพระอาริยะเจ้าท่านก็จะสอนให้เราได้เป็นพระอาริยะเจ้าขั้นต่างๆนี่คือประโยชน์จากการทำทานกับบุคคลเป็นของแถมเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ำมันตามสถานีบริการสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ำมันเพื่อให้รถจะได้วิ่งไปไหนมาไหนได้แต่สถานีบริการแต่ละสถานีเขาก็มี ของแถมของพิเศษให้บางสถานีก็แจกน้ำบางแห่งก็แจกผ้าบางแห่งก็แจกชคอก卡บอันนี้ก็แล้วแต่สถานีแต่และสถานีถ้าเราต้องการอะไรเราก็ไปเลือกสถานีที่เราต้องการแต่สิ่งที่เราจะได้เหมือนกันก็คือได้เติมน้ำมันเหมือนกันการทำทานนี้สิ่งที่เราจะได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะทํากับใครก็คือบุญความอิ่ใจความสุขใจอันนี้ทํากับพระก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทํากับพี่กับน้องทํากับเพื่อนก็ได้ทํากับสัตว์เลี้ยงก็ได้ทํากับสุนัขกับแมวทํากับปลากับนกความอิ่มใจสุขใจนี้ได้เหมือนกันได้มากได้น้อยอยู่ที่ปริมาณของการทํา ทานทำร้อยหนึ่งก็จะได้น้อยกว่าทำพันหนึ่งทำพันหนึ่งก็จะได้น้อยกว่าทำหมื่นหนึ่งอันนี้คืออา น, นิสงส์ของการทำทานแต่ผลที่เราจะได้รับจากการทำทานจากบุคคลก็คือเราจะได้สิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เราไปทำทานด้วยถ้าเราไปทำทานกับคนที่ไม่มีธรรมะ อย่างมากเขาก็อาจจะบอกขอบอ ก, ขอ บ, อกขอบใจให้ิีงให้พรกับเราแต่ถ้าเราไปทํามบุนกับคนที่มีธรรมะเขาก็จะสอนธรรมะให้กับเราธรรมะนี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยให้เราได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ได้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดยังต้องทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายอยู่แต่ถ้าได้ธรรมะจากพระอาหารหันต์หรือจากพระพุทธเจ้านี้ก็จะสามารถที่จะหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยอย่างในสมัยพระพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมเวลาทรงแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้จะมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากบางครั้งบรรลุทีห้ารอรูปเลยอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุคคลที่เราทำทานด้วยดังนั้น อยู่ที่ว่าเราทำทานเพื่ออะไรถ้าเราทำทานเพื่อบุญเราก็ไม่ต้องเลือกใครก็ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำบุญกับเพื่อนก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโร ง, งเรียนก็ได้ไม่ต้องมาทำที่วัดก็ได้ได้ผลเหมือนกันได้บุญคือความอิ่มใจสุขใจเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องมาที่วัด วัดที่เราจะไปก็ต้องดูว่าวัดไหนมีธรรมะมากน้อยกว่ากันวัดก็เหมือนสถาบันการศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาเหมือนกันแต่คุณภาพของสถาบันแต่สถาบันนี้มีไม่เท่ากันเราจึงเลือกเลือกสถาบันการศึกษาแล้วก็อยากจะเข้าในสถาบันที่มีคุณภาพดีเพราะเราจะได้รับการศึกษาที่ดี เวลาที่เราจบจากการศึกษาเราก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าผู้ที่จบจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ค่อยดีนี่คือเรื่องของการทําทานให้เราถ้าเราอยากจะเลือกเราก็เลือกเพราะว่าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกไปทําบุญกับพระแต่ถ้าเราต้องการทําบุญให้มีความอิ่มใจสุขใจสบายใจ ให้เป็นสเสบียงสําหรับพาเราไปสู่พบหน้าชาติหน้าที่ดีเราก็ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ทำํำบุญกับคนใกล้ตัวก็ได้เห็นขอทานให้เงินเขาไปก็ได้อันนี้ก็จะได้ทานบารมีได้ทําทานเหมือนกันทานนี้ท่านก็บอกว่ามีวิธีทําหลายอย่างด้วยกันเช่นเราให้เข้าวของเงินทองอย่างนี้เรียกว่าวัตถุทาน อย่างวันนี้ญาติยมมาทําบุญก็นำกับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานมาถวายพระอันนี้ก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเราไม่มีวัตถุไม่มีเงินมีทองแต่เรามีวิชาความรู้เช่นเรามีวิรู้คณิตศาสตร์รู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาต่างประเทศถ้าเรานาเอาความรู้นี้ไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่น โดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองก็เรียกว่าเป็นการทำทานเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าวิทยาทานหรือถ้าเรามีโอกาสได้ไปวัดได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆแล้วเราเห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์เราอยากจะเผยแพร่หนังสือเหล่า น, นี้ถ้าเราพิมพ์มแล้วนำมาแจากจ่ายเราก็จะได้ทำทานเหมือนกัน อย่างนี้เรียกว่าธรรมทานทานทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะธรรมะนี้เป็นมีคุณประโยชน์มากกว่าการให้วิชาความรู้มีคุณประโยชน์มากกว่าการให้วัตถุเข้าของเงินทองเพราะเข้าของเงินทองก็ช่วยดับความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ยากลำบากทางร่างกาย วิชาความรู้ก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะไปทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาเยียวยาดูแลร่างกายของเราแต่จะไม่สามารถมาดูแลจิตใจของเราที่ทุกข์ที่วุ่นวายได้แต่ถ้าเราให้ธรรมะกับผู้ที่เขามีความทุกข์ใจธรรมะของพระพุทธเจ้านี้สามารถที่จะดับความทุกข์ใจของเขาได้ อาจจะช่วยให้เขาไม่ต้องไปฆ่าตัวตายก็ได้คนบางคนเวลามีความทุกข์มากานี้ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็เลยคิดว่าฆ่าตัวตายจะเป็นการยุติปัญหาแต่ความจริงมันไม่ได้ยุติหรอกมันเพียงแต่หนีปัญหาไปเท่านั้นเองเพราะว่าปัญหามันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ค่าร่างกายก็ไม่ได้มาค่าความทุกข์ภายในใจถ้าอยากจะค่าความทุกข์ภายในใจต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาค่ามันถ้าเรามีธรรมะเราจะรู้เลยเวลาที่เรามีความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากความอยากของเราเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจนถึงไม่อยากจะอยู่ อยากจะฆ่าตัวตายแต่ความจริงความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักแต่เกิดจากความอยากของเราที่อยากจะให้คนที่เรารักไม่จากเราไปอยากจะให้เขาอยู่กับเราอันนี้ต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราเวลาเขาไปเราจะรู้สึกสบายใจเสียด้วยซ้ำไปนี่คือปัญหาของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กัน ทุกวันนี้ที่พวกเราทุกนี้ไม่ได้ทุกเพราะว่าเราได้หรือเสียอะไรมาแต่เพราะว่าเราอยากได้อยากเสียต่างหาพออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็เสียใจพอไม่อยากจะเสียอะไรพอเสียไปก็เสียใจทุกใจคิดถึงอยากจะฆ่าตัวตายกันนี่คือปัญหาของพวกเราที่พวกเราแก้ปัญหาอย่างไม่ถูกวิธี เวลาเราทุกข์ใจเราก็ไปแก้ที่อื่นเช่นไปฆ่าตัวตายความทุกข์ใจก็ยังติดไปกับใจของเราเวลาร่างกายตายไปใจเราก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปทุกข์ในชาติหน้าใหม่พอไปเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เสียใจทุกข์ใจใหม่ดังนั้นการฆ่าตัวตายไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทางใจวิธีแก้ปัญหาทางใ จ, าางใจนี้ต้องข่มใจต้องหยุดความอยาก ต้องยอมรับความจริงว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะถ้าอยากแล้วเวลาเสียไปจะเสียใจเช่นเรามีอะไรดีเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดวันดีคืนดีวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องเสียสิ่งที่เรารักไป ถ้าเรามีความอยากไม่เสียอยากให้เขาอยู่เราก็จะเสียใจเราก็จะร้องผมร้องไห้กันแต่ถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา คอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราเกิดการสูญเสียเกิดการพลาดพาคจากสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักเราจะทำใจได้เพราะเราเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วเหมือนกับนักมวยที่เตรียมชกซ้อมอยู่เรื่อยๆพอขึ้นไปโชคบนเวทีก็จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ถ้าไม่ซ้อมไว้เลยพอขึ้นไปบนเวทีโดนหมัดแรกก็น็อกแล้ว เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเหมือนกับนักเรียนที่หมั่นดูหนังสือมันทำการบ้านอยู่เรื่อยๆเพราะถึงเวลาเข้าห้องสอบก็จะสอบได้ข้อสอบของใจของพวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียสิ่งที่เรารักการพัดพาจากบุคคลที่เรารักที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เลย ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจทำการบ้านไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนคิดไว้ก่อนว่าเราอาจจะต้องเสียคนนี้ไปนะอาจจะต้องเสียสิ่งนี้ไปคิดอยู่เรื่อยๆแล้วใจเราจะคลายความยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วพอสิ่งเหล่านั้นจากเราไปเราก็จะไม่เสียใจนี่คือธรรมะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกว่าอะไรทั้งหลายในโลกนี้ เงินทองจะมีมากน้อยเพียงไรไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้วิชาความรู้ทางโลกต่อให้จบป ร, ริญญาเอกก็ไม่สามารถนำมาใช้ดับความทุกข์ของใจเราได้พวกที่จบป ร, ริญญาเอกนี่ยังร้องห่มร้องไห้ยังเศร้าโศกเสียใจกันอีกได้คนที่เป็นพระราชามหากัตรเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นมหาเศรษฐีก็ยังร้องห่มร้องไห้กันยังเศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่เขาสูญเสียสิ่งที่เขารักหรือบุคคลที่เขารักไปถ้าเขาไม่มีธรรมะแต่ถ้าเขามีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้ามาคอยดูแลรักษาใจเป็นเหมือนกับรอปภถ้ามีรอปภอคอยคุ้มครองเวลามีผู้ใดจะมาทําร้าย รอพภก็จะจัดการกับผู้ที่มาทำร้ายได้ทันทีธรรมะนี้เป็นรอปภของใจคอยดูแลรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจธรรมะที่อยู่ในหนังสือนี้ยังไม่ได้เป็นธรรมะของเรายังเป็นธรรมะที่เป็นตัวหนังสือ เราอ่านแล้วเราต้องเอามาปฏิบัติอย่างที่วันนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องพยายามลดความอยากลงไปการอยู่โดยไม่มีความอยากนี้อยู่ได้และอยู่มีความสุขมากกว่าการอยู่แบบมีความอยากเพราะว่าเวลาอยู่มีความอยากนี้เวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจ แต่เวลาที่ได้ดังใจอยากก็จะดีใจแต่ลืมไปว่าไม่ว่าอะไรที่เราได้มาไม่ช้าก็เห็วเราก็ต้องเสียมันไปพอเสียมันไปเราก็ต้องมาเสียใจถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราได้อะไรมาเราก็จะพอใจเราเสียอะไรไปเราก็จะไม่เสียใจนี่แหละการดูแลรักษาใจของเราต้องดูแลด้วยการควบคุมความอยาก อย่าทำอะไรด้วยความอยากให้ทำด้วยเหตุด้วยผลการไม่มีความอยากไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเราก็ยังทำตามเหตุตามผลได้เช่นเรามีหน้าที่ทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ทำไปแต่เราจะรวยหรือไม่รวยจะได้มากหรือไม่มากนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของเราถ้าเราไม่มีความอยากรวยถ้าเราไม่รวยเราจะไม่เดือดร้อน ถ้าเราไม่ได้กำตั้งเป้าว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้พอเราไม่ได้ดังที่เราตั้งเป้าไว้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์หน้าที่ของเรามีเพียงแต่ทำตามหน้าที่ตามตามเหตุผลเรามีหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทำมาหากินไปได้มามากไม่น้อยก็ใช้ไปตามมีตามเกิดถ้าอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจ ในเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็จากอย่างสบายใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเพราะเราจะไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็อยู่ไปแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปดูแลรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป ความเจ็บของทางร่างกายนี้ไม่รุแนแรงเหมือนกับความเจ็บของใจความทุกข์ใจนี่หนักกว่าความเจ็บของร่างกายมากถ้าร่างกายเจ็บถ้าใจไม่เจ็บแล้วจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าร่างกายไม่เจ็บแต่ใจเจ็บนี้จะทุกข์มากแต่ถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคอยเตือนคอยสอนเราอย่าไปมีความอยากให้ทำอะไรไปตามเหตุตามผล มีอะไรต้องทำก็ทำมีอะไรต้องกินก็กินมีอะไรต้องดื่มก็ดื่มไปแต่อย่าดื่มด้วยความอยากอยากกินด้วยความอยากเพราะจะทำให้เราไม่มีความอิ่มความพอได้กินมากเท่าไหร่กินเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่แล้วแต่ถ้ากินด้วยเหตุด้วยผลนี้เรากินวันละครั้งสองครั้งก็พอแล้วร่างกายเราจะมีสุขภาพที่ดีมีหุ่นที่ดี ร่างกายของเรารับรองจะไม่กลายเป็นตุ่มที่กลายเป็นตุ่มกันทุกวันนี้เพราะกินด้วยความอยากไม่ได้กินด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราอยากจะมีความสุขทางร่างกายและความสุขทางใจเราต้องรู้จักวิธีการรับประทานเราต้องรับประทานด้วยเหตุด้วยผลเมื่อถึงเวลาที่ต้องให้อาหารกับร่างกายก็ให้ให้กับความต้องการของร่างกาย อย่าให้กับความต้องการของใจและให้กับความต้องการของใจนี้มันจะให้มากกว่าที่ร่างกายจะรับได้แล้วร่างกายก็จะต้องรับเคราะห์จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปนี่คือตัวอย่างของการดำรงชีวิตอยู่โดยไม่มีความอยากจะมีความสุขมากกว่าการที่จะอยู่แบบมีความอยาก พอเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราพอเขาจากเราไปก็เสียใจมีแต่การหาความทุกข์ใจมาใส่เราถ้าทำอะไรด้วยความอยากถ้าเราทําด้วยเหตุด้วยผลนี้เราจะไม่มีความทุกข์หามาหาได้ก็ดีใจหาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็ดีเพราะเราไม่ได้มีความอยากว่าจะต้องได้แต่เราต้องหา หาไปได้มากได้น้อยเราก็จะพอใจจะมีความสุขใจนี่คือประโยชน์ของการให้ธรรมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง น, นี่คือสิ่งที่พวกเราได้มากระทำกันในวันนี้เรามาทำบุญด้วยการทำทานก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐ์พิจารณาและไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญของจิตใจและการสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะภะโดยทั่วหน้ากันเถิด